จเจ ร, ริญพรอาญาโจมทุกท่านและพระละวัคคณะสงฆ์ถุกดูดีท่านอาจารย์มหาดิเลกเป็นประธานสองฆ์อยู่ที่นี่ก็นำไปเป็นโอกาสดีที่จะมาได้มาเยี่ยมที่นี่เป็นครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งก็มาแคปเดียวหายไปก็มาฉันมือหนึ่งแล้วก็จากไปตอนนั้นก็กําลังปฏิบัติธรรมกันอยู่ ครั้งที่สองก็ได้รับข่าวว่าท่านนี้ปฏิบัติธรรมอาจารย์มหันติเลกท่านก็เรียกตัวด่วน <c oughs> ที่จริงอัตมาก็จะมารายงานตัวกับท่านอาจารย์มหันิเลกอยู่แล้วล่ะว่าจะทําอย่างไร เ, เรื่องการปฏิบัติธรรมาเรื่องการตั้งสํานักเรื่องการที่จะเผยแพร่ไปยังต่างประเทศเราจะทําอย่างไรถึงจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นจริงเป็นจัง หรือเป็นตัวเป็นตนขึ้นนี่ก็ขอเกริ่นนำนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มาถึงไม่มาที่นี่ก็จะนัดไปพบกับท่านที่ไดที่น่อยู่กับท่านอาจารย์มหาบัวทองซึ่งท่านอาจารย์มหาดิเรกก็รู้จักการมาหลายปีจะขอเป็นเพื่อนกับท่านก็ได้เ <laughs> พราะว่าเราเป็นเพื่อนกันในหนึ่งอายุเพศวั ย, ยเดียวกันสองมีความเข้าใจ ซึ่งกันและกันถึงอายุจะไม่เสมอกันก็เป็นเพื่อนเป็นสหายกันได้อันนี้เป็นเรื่องจริงอาตมาก็รู้จักกับท่านอาจารย์มหันติเลกมานานนะ 2019, 20, นู่นนะสองพันห้สิบเก้าหรือยี่สิบน่ะก็รู้จักกันมาแล้วก็ไปมาหาสู่ท่านก็สนใจการปฏิบัติธรรมท่านเป็นนักปริยัตที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเก่ง เป็นคนที่คล่องตัวว่องไวกระชักระเฉงส่วนอาตมาเป็นผ้าป่าผ้าดงอยู่กับป่ากับดงเ อ, อมาตลอดพอจากป่าจากดงก็มาเจอหลงพ่อเทียนก็เออลตอนนี้ในที่โบราณเพว่าแล้วนะไปอยู่ป่าอยู่ดงเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยพอเดีมาเจอ ออกจากป่าจากดงมาเจอสำนักดีๆอะไรเท่าไรก็อยากจัดตั้งสำนักจากแคยแค่อะไรเท่าไรอยากจะเป็นศาสรากับเขามั่งอันนี้เป็นความคิดของกุตชนธรรมดาดังนั้นมาที่นี่ก็รู้สึกว่าด้วยความยินดีพอใจมาเห็นญาติโยมนักปฏิบัติธรรมพระสงค์เราก็ก็ทาก็ดีของมุทนาสาธุส่วนการปฏิบัตินั้นอาตมาก็มั่น ใจว่าการปฏิบัติธรรมอย่างที่เราเปิดเทปหลวงพ่อเทียนก็ดีนั่นอาจารย์มหาอิเลกพูดก็ดีอาจารย์อื่นๆพูดเอาไว้ก็ดีซึ่งจะมารวมเป็นจุดเดียวกันทั้งหมดเลยรวมมาจุดที่การปฏิบัติธรรมจุดปฏิบัติเนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นการสร้างฐานเป็นการจับจุดแรกๆนี่นะเมื่อก่อนเราก็ ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้มากเราสนใจอย่างอื่นสนใจการงานสนใจการหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเข้าว่ากันไปพระเด่นก็สนใจแต่ปริยัติปฏิบัติอย่างอื่นแต่เมื่อมาทำอย่างนี้แล้วมันจะกลับไปที่เก่าเข้ามันจิตเนี่ยมันจะกลับไปที่เก่าเข้ามันมันจะไปยังอดีตมันจะกลับไปหาที่มันเคยอยู่ยังมาอยู่ที่นี่มันจะคิดถึงบ้านอยากจะไปอยู่บ้านนั่งเล่นนอนเล่นสบายดี แต่ถ้าไปอยู่บ้านมาจะคิดถึงที่นี่เฮ้ยจะไปวัดปฏิบัติธรรมดีเ น, ะนาะอาจจะดีนะอจิตมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอันนี้เป็นธรรมชาติของมันบางทีมันก็สงสัยทําไปทําไมายกไม้ยกมือยกไปทําไมไม่ยกก็รู้สึกีินะาอาจจะเข้าหาเจ้าก็ดีบางทีเขอยากจะนั่งหลับตาให้มันแล้วไปเลยมันเงียบไปเลยนั่งหลับต า, าปุ๊บก็ปล่อยกับ มันสบายดีไม่ผิดไม่ถูกไม่ผิดไม่ถูกเลยแต่ทําอย่างนี้รู้สึกบางทีมันก็มันผิดน่ะบางทีบางทีมันก็ถูกแต่เราจะไม่เอาผิดหรือถูกทั้งสิ้นเราจะไม่เอาแต่เราจะปฏิบัติให้มันรู้รู้ว่าเออยกขึ้นยกลงเข้าเ ข, ข้าออกออกรู้ว่าผิดรู้ว่าถูกนะ่ะแต่ไม่เอาผิดแล้วถูกเหมือนกับนักเรียนเขียนหนังสือหรือพวกเราไปเขียนหนังสือมาทุกคนเนขะียนผิดก็ช่างมันเขียนถูกก็ช่างมัน แต่ถ้าถูกเราแก้ไขได้าถ้าผิดเนาะถ้าผิดก็แก้ไขได้ถ้าไม่สวยไม่งานก็เขียนใหม่ได้แต่กระดาษทั้งหมดที่เราเขียนสวยๆยา ง, งามๆฉีกทิ้งให้หมดเลยขอไฟทิ้งเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมอย่างจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยจะทําผิดทําถูกรู้สึกไม่รู้สึกก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นมันจะรู้ข้อมันเอง มันจะรู้ตัวรู้กาย ร, รู้จิตรู้การเคลื่อนไหวรู้การหายใจรู้กระพริบตารู้การคิดนึกมันจะลึกละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ อ, อ่าธรรมาก็ไม่ใช่ว่าหัตดิบหัวดีแต่ก็มีดีอยู่บ้างนิดหน่อย <c oughs> นะเราให้ฟังนิดหนึ่ง <c oughs> เมื่อก่อนนี่ยไปนั่งหลับตาพุทโธภาวนาในป่าในถ้ำอย่างที่หลวงปู่อาจารย์มั่นสอนเป็นอาจารย์องค์แรกที่สอนดีมากแต่ว่าเกิดไม่ทันหรอก อาจารย์มั่นเขาเป็นคุณอบุบลแสวงคำรมธานอยู่หลายปีก็ในเทศนาสั่งสอนบริวาณกันเยอะแยะเลยจนกระทั่งปี 2492-93 ท่านก็ถึงแก่วรณภาพจบอายุประมาณ80ปีอาจามาก็เกิด2494 เกิดไม่ทันท่านอยู่แล้วแต่ว่าได้อ่านหนังสือที่หลวงปู่มหาบัวเขียนเอาไว้ที่อุดรนะหลวงปู่มหาบวัวท่านก็ไปแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาบริบาล เ, เยอะๆเมื่อจะมาบวชมาก็ได้ปฏิบัติทำอย่างที่ท่า น, นสอนเอาไว้นั่งพุโทโธพุโทโธนั่งหลับตาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั่งคัศมานั่งข า, า, ข, าขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตังกายตรงดำลงสติ กำนดลมหายใจเข้าพูดหายจ่อโทเมื่อทําไปทํามาทํามาทําไปมันก็ดีนะสงบดีมันก็เกิดนิมิตแสงสีเกิดอิทธิฤทธิ์อะไรต่ออะไรเยอะยะเลยเพราะว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเมื่อไม่มีอดีตและอนาคตมันจะปรากฏเป็นนิมิตทันทีเลยสังเกตให้ดีเมื่อเราจะนอนหลับก่อนมันจะหลับมันต้องตัดอดีตและอนาคตหมด น้องก็ดับไปเลยบางคนดับหลับแล้วฝันทันทีเลยแต่บางคนหลับแล้วเงียบไปลักษณะบางคนยังไม่หลับเลยฝันเล่าทําไมฝันน่ะฝันทั้งนั่งมันเคลิ้มไปนั่งสมาธิหลับตาก็เหมือนกันนั่งไปนั่งไปเกิดนิมิตเกิดเห็นนอกตัวนอกตนเกิดเห็นเสีเห็นแสงเห็นอะไรต่ออะแยอะเลยแต่มันก็สนุกสําหรับผู้ไม่มีงานทํอาจารย์มาคิดว่าสมัยนั้นไม่มีงานทําไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่เดินจงกรมนั่งสามาธิโอ้ยสบายไม่มีอดีตอนาะคต ด, ดูกับปัจจุบันอย่างเดียวแต่รู้สึกว่าสี่ปีมันมีปัญหาในหัวใจจนงแก้ไม่ตกเลยไอความโกรธโลภหลงยังไม่ได้เอาออกเลยบางทีมันเอาเข้าได้ซ้ำไปื่งทีเราไปนั่งหลับตามันสงบดีเมื่อมีเ น, นมีเด็กมีพระอื่นพูดเสียงดังทาอะไรไม่ดีเราก็โมโห ก็ฉุนขึ้นมาก็โกรธขึ้นมาเมบางทีเราก็ไม่ว่าเขาหรอกแต่ว่าในใจบางกีเราก็ไม่ว่าหนีเลยไม่เอาดีกว่าวัดนี้ตรงพี่นี้ไม่เข้าท่าไม่ปฏิบัติแล้วจะพูดเสียงดังรบกวนคนดูห น, นีดีกว่าได้โกรธได้บาดกันนี้ไปมันเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าว่าสุนัขขี้เลื่อนสุนัขหัวเน่ามีหนอนที่ชอนชัที่หัวมันเป็นแผล เมื่อ น, นอนมันชรอชัยมันก็เจ็บก็ปวดก็คัน <c oughs> ไปนอนที่ไหนก็ไม่สงบเย็นที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่นิ่มก็วิ่งสับสับับับไปเรื่อยสุนัขหัวบาดหัวเน่าสุนัขขี่เรือน่ไม่ไม่มีความสงบเหมือนกับที่ธรรมมาสมัยก่อนเป็นนักสมถานันกปฏิบัติธรรมแบบสุนัขขี่เรือนไปเรื่อยที่นี่ไม่ดีไม่สงบไปแต่ถ้าไปถึงในป่าในถ้าบางทีคิดถึงเพื่อน เออเรามาอยู่คนเดียวเนี่ยมองซ้ายมองขวาเนี่ยนั่งสมาธิในถ้าถ้ามันทํามันยุบลงมาเนี่ยเราจะออกข้างไหนนี่นะคิดไปคิดมาไปดีกว่าอยู่คนเดียวมันไม่เหมือนอยู่กับเพื่อนอ่ะไม่มีเพื่อนคุยไม่มีกัละยาณมิตรเราต้องไปหาเพื่อนเนี่ยอย่างนั้นหากุบาอาจารย์้าไปก็ไปเป็นมามาอยู่อย่างนั้ น, าา น, นในที่สุดก็เลยมาเจอหลวงพ่อเทียนเออก็ไม่มันเป็นมหา ลาบมหาโชคอะไรก็ไม่รู้เลยนะคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะก่อนจะมานะคิดจะไปกระโดดเถวตายเลยนะจะไปกระโดดภูเขาภูหลังกาสูงสุดเลยแถวนั้นจังหวัดน้องขายสูงเฮ้ยปฏิบัติมาก็หลายปีทำไมไม่หมดทุกข์วะตายแล้วไปเกิดเอาใหม่ดีมั้เออก็แปลกดีก็ไปนั่งอยู่ที่หลงปูมันเขาไปนั่งหลงปูมันเขาไปนั่งอยู่ใกล้ใกล้กลกลปาเขวนะ แค่แค่ปากเหว่นั่งสมาธิเมันกับเก้าอี้นี่แหละแต่มันใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนั่งส่วนก็เป็นเหวลึกไปหมดเลยนั่งสมาธิไปถ้าเกิดมันง่วงหรือว่ามันสติไม่ดีมันเ อ, อหลับในหรืออะไรพลาดทีเดียวก็ไปเลยก็จมหายไปเรยตกเหวตายไปเลยเราก็เลยนี่เราก็จะเอามั่งแต่ขณะเดียวกันค่อยๆ ค, ย ค, ย ค, ยคานออกไปนะกลัวว่า ม, มันจะตก จะไปนั่งสมาธิให้มันตายเลยว่ากลัวมันจะโตกขาสั่นเลยทำไมแล้วมันขาสัน่นวะมันปีนออกไปซะก่อนแล้วก็ไปยืนไปนั่งได้ที่ท่านนั่งอ่ะทํำยังไงดีนหนาะก็เลยคิดไปคิดมาให้ไม่ตายดีกว่ามั้งก็เลยต้องปฏิบัติทำอย่างเนี้ยดีกว่าก็มาเจอหลวก็่อเทียนคิดย้อนหลังไปคําตัวเองเลยโอไอโง่ไอเง่าเอ้ยทาไมนหนาอมิฉาจิติ การฆ่าตัวเองตายก็ดีการฆ่าคนอื่นตายก็ดีก็เป็นบาปเท่ากันเป็นบาปเท่ากันเมื่อมาเจริญสติกับหลวงพ่อเทียนก็เลยคิดว่าการปฏิบัติธรรมที่ท่านพูดท่านสอนเอาไว้มันจะมีเลยเราหรือเปล่านาะถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็แล้วไปเราจะพิสูจน์ตัวเราว่าเรามีไหมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้สิ่งที่ลุงพ่อคุณบาอาจารย์สอนเอาไว้เราจะมีไหมมีสิทธิ์มีส่วนไหมที่ทําไปทํามาเลยสามวัน เกิดมีสิทธิ์มีส่วนเกิดมีรูกมีนามแต่ละแต่มันก็มีอยู่ก่อนแล้วล่ะแต่เราไม่เห็นมันไม่เห็นเวลาทําไปทํามาก็ทําอย่างจริงจังเลยนะอาจะมาทําแบบแบบมุทะลุดุดันทําแบบไม่มีอดีตอนาคตแต่ทําทจนลืมมืดอเลี่ยมคำทำจนลืมตัวนะทําจนเมาเลยเมาทำท่านเกตได้วันนี้ถ้าหลายวันหลายทีบางทีไปบอกเมน่นะ อยู่กับเนนสองเนนเน้นทำไมไม่ออกเป็นทบาดเน้ไม่ขอรักครั้งวินธบาดทละเน้นนี่มันตอนจะเย็นนะจะขําแล้วตรงพี่มันจะขํามเลยนึก ว, ว่าตอนเช้านั่นก็กลับกันเลยเออเรามันลงเองไปเดินจับกอมบางทีก็ะสันข้าเพลินเสร็จก็เดินไปถามเนนเน้นสันเพนลินหรือยังเนี่ยเ้ากรลงพี่สันไปแล้ว แล้วมันเป็นคนเดียวมันเป็นเองอ่ะมันรู้สึกว่ามันกําหนดปัจจุบันมากเกินไปมันเลยลืมมาดีแตอนาคตเน่ยมันคิดยังไงก็อย่างนั้นหลยเมื่อปฏิบัติทำขนาดนั้นเรียกว่ามันบ้าอะไรนะมันบ้าปฏิบัติขน้ด น, นั้นบ้ามเมาเลยบ้าแต่ก็โชคดีว่าหลวงพ่อเทียนท่านแนะนําและก็สอนให้อะเ ป, เป็นเป็นกัลยาณมิตรให้หลวงพ่อเทียนท่านก็บอกนั่นบอกนี่โดยศรัทธาแล้วเราก็ทําอยู่แล้ว สามันเข้าใจรูปเข้าใจนามยกมืออย่างนี้นหละแต่หันหน้าเข้าป่านะหลวงพ่อไม่ไม่ได้บอกหันหน้าเข้าป่านะคุณดานะไม่ได้บอกนะแต่เราทำของเราเองมีเสื่อสั้นๆพื้นหนึ่งเสื่อนอนแล้วก็พับครึ่งหนึ่งก็ไปนั่งในป่าทําไมต้องหันหน้าเข้าป่าเพราะคิดว่าถ้าคนมาก็เราจะไม่สนใจคนอื่นถ้าคนเดินมาข้างหลังก็พูดได้แต่เราจะไม่หันไม่หันหน้าไปหาเขาเราจะพูดอย่างเดียวพูดแล้วก็ไปเลยเราจะมองเข้าป่า สนใจอย่างนั้นปริปยัติธรรมไปทํามาเอ๊ะวันนั้นก็กิ้งก่าตัวหนึ่งกิ้งก่าตัวผู้คอแดงนะคนอีสานเขารู้จักดีมาขี่กับฟอมขี่กับฟองคอแดงตัวผู้รู้ยังไงตัวผู้ตัวเมียก็รู้เขารู้กัน <c oughs> ก็รู้กันพร่าเป็นเด็กเลี้ยงควายสมัยก่อนนี่เป็นนักล่ากิ้งกา่าตุ๊กแกอะไรเอาหมดอะคนอีสานกินหมด พอดีก็มันก็วิ่งมาช้าๆเข้ามาจากป่านะมาหยุดอยู่ตรงหน้าห่างประมาณศอกหนึ่งนี่แหละเราก็คิดแล้วไปอ๊ะนี่มันไม่กลัวเราได้วยยังไงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กเลี้ยงควายเนี่ยโอ้ยไล่จับไล่ตีไล่หนังสติ๊ยิงเลยมันกลัวแล้วนะเมื่อเรามี อ, อ่พฤติกรรมที่ตามล่าตามไล่มันอนะ่ะมันต้องกลัวแน่นอนแต่ทีนี้เราทําอย่างนี้ล่ะเอ๊ะมันมาหยุดอยู่ต่อหน้าเราแล้วก็สงบหัวด้วย เหมือนกัมาสวัสดีเราเราก็สิดดูมันมันก็ดูเราเราก็ดูมันแต่มือนี้ก็ทําอยู่นะอ๋อทําจนลืมเมื่อเดิมทำอยู่แล้วล่ะลืมอดีตนะคนอยูแล้วเงื่อยหยดหลักแร้เลยเอย่าข้อสอบเลยนะมันน้อนอ๋อขนาดนั้นเราดูมันมันก็ดูเราเอ๊ะมันก็เหมือนเราเราก็เหมือนมันใช่เราตอนนี้ถ้ามันตายล่ะมันก็เป็นเพียงรูปร่างลักษณะของมัน แต่ถ้าเราตายแต่แล้วก็เป็นเหมือนมันมันก็เหมือนเราเราก็เหมือนมันมีความรู้สึกมีการเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้มันสโลหรือมันช้าลงมันค่อยๆฟั่งค่อยๆหงายมือค่อยๆยกค่อยๆดูมันอ่ตาก็ดูนั่นถ้ากิความรู้สึกก็ดูนี่ดูไปดูมามีลูกกับนามมีความรู้สึกกับความไม่รู้สึกอยู่ในกันสัมพันธ์กันตลอดเลยแล้วก็เลยโอ้เนี่ยมันสรุปมันรวมยอดได้ว่านี่คือลูกนี่คือนาม นี่ความรู้สึกนี่ความไม่รู้สึกแต่ถ้าตายก็มีแต่รูปไม่มีก็ไม่มีนามเพราะนามคือความรู้สึกตัวตนนี่นอกจากรูกเพราคือนามนอกจากนามก็คือรูปมีสองอย่างอาศัยกันไปสลอดเนี่ยก็เลยก็ดีใจเลยเนาะนึกขอบอกขอบใจนึกขอบคุ ณ, คณก็กิงกาแต่นั้นอยู่มันเงนินเพราะไม่มีนี่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรจะบ่งบอกแต่ที่นี่มันมาปรากฏให้เราไ ด, ได้จะแจ้งใหไ้ได้ชัดเจนขึ้นมาก็ ถ้าเป็นไปได้ก็นึกจะกราบมันทีเดียวละวันนั้นแต่คิดไม่ทันตอนไปเรียนยกมกลมเนี่ะมันก็อยู่นานพอสมควรมนาะก่อนที่มันจะไปก่อนที่มันจะหนีเราก็อยู่นานพอสมควรจะทําอะไรไม่เป็นแต่ก็ได้ไหลไปกับความคิดคิดไปเรื่อยแหละมันโลดแล่นมันดีใจมันเกิดความรักความกตัญญูเกิดรู้จักธรรมชาติเกิดรักต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศรักพ่อรักแม่รั ก, พ, ก, กพระพุทธเจ้ารัก ศาสนารักตัวเองไปหมดเลยมันก็ดีใจมันก็อยากจะวิ่งแหละคนเรามันดีใจโกรธแล้งเดินนองคมอยากจะเอาไว้ไหวปุบปุบปับ ป, ป, ปับเลยมันจะให้ไวขึ้นจะตัดความคิดคือมันดีใจแล้วข่มไม่ลงไม่เคยปีติอย่างรุนแรงนี่มันตัวเบาตัวมันกับเด็กมันได้ของเล่นแนละ้ววิ่งไปกระโดดไปเลยกระโดดตัวเบาม้วนมวนไปเลยลักษณะ ก็เลยมาคิดถึงคําโบราณว่าค่อยทําค่อยไปทำค่อยค่อยทําใจเย็นเย็นไปแบบงูมีพิษงูมีพิษนี่ไปไม่เร็วไม่ไวมันไปช้าช้ามันค่อยไปนักปราชญ์บัณฑิตท่านสชันเสืนกันค่อยไปค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยไปก็เลยมาคิดโบราณเขาว่าเดินเหมือนช้างย่างเหมือนแมวแต่มันคิดขึ้นมาเองหรอกไม่รู้ไปอ่านตำรับตารามาจากไหนหรอเคฟังใครพูดไม่รู้ มันคิดรับขึ้นมาก็เลยเอยช้างมันเข้าไปดีอย่างมีความรู้สึกดีนะช้างมันเดินนี่นะมันเดินนิ่มๆเดิ น, น, น, น, น, นค่อยๆวันหนึ่งจําได้ว่าไปเลี้ยงควายสมัยเป็นเด็กไปเลี้ยงควายแล้วก็ปล่อยช้างเข้าป่าช้างสุรินเขามาเลี้ยงที่บางแห่งนะเขาปล่อยเข้าป่าช้างเนี่ยมันเดินดีนะมันเหยียบมันยกขึ้นแล้วก็เหยียบลงตรงๆไม่เหมือนคนคนก็เตะเลยใบไม้ใบตอง เข้าป่าเนี่ยดังสุดบเลยแต่ช้างไปนิ่มๆเลยเราไป e y, เอเงียบๆอ่ะแต่ว่าไปเจอช้างใน ก, กล้ดิตุบกระใจายเลยโอ้เ oh นี่ยแต่มันเดินมันก็เดินนิ่ ม, มเๆเดินค่อยๆเดินเหยียบลงตรง ๆ, ๆ, ๆแล้วแมวไปแมวไปอย่างไงแมวแมวก็ไปนิ่มๆไปค่อยๆ ย, ยิ่งมันจะจับหนูจับตุ๊กแกยิ่งมันจะจับนกยิ่งจอกนกอะไรเนาะนกกระจอกเนี่ย แมวสามารถจับได้นะสังเกตแ ต, แต่มาเคยเห็นตัวบางแมวก็จับได้มันใช้วิธีค่อยเข้าไปค่อยคานเข้าไปแล้วก็หยุดนกมันก็หาจินอยู่นั้นแหละนกมันเดินเข้าไปอีกค่อยแมป่ประจิตขื้นไปพอได้ใกล้ได้จังหวะแมวก็กระโดดได้ความไวของมันจะคุบนกตัวนั้นได้เลยนกพวขนาดนั้นเลยอันนี้เป็นเรื่องจริง ดังนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมก็อย่างที่ท่านหลวงพ่อเทียนเคยพูดเอาไว้ว่าแรกๆกเราก็จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเหมือนกับเราเอาแมวมาเลี้ยงไว้คอยจับหนูที่บ้านเราแมวตัวเล็กมันก็หากินไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าเห็นหนูตัวใหญ่มาแมวก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ดูอาจจะกลัวหนูด้วยซ้ําไปถ้าแมวตัวใหญ่นะถ้าแมวตัวเล็กนะหนูตัวใหญ่อาจจะหลบเก่อน แต่ถ้าแมวตัวโตขึ้นโตขึ้นหนูตัวหนูตัวใหญ่มาก็ไม่กลัวแล้วแมวโดยสัญชาติยานของมันจัดการได้ชั้นเดียวกันเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเกิดพลังสติเกิดสติรู้ค่อยรู้ค่อยเป็นค่อยไปโตวันโตคืนโตขึ้นโตขึ้นก็สามารถจัดการกับความคิดความมิจฉาทิฏฐิความงมงายหลงผิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันจะจัดการเหมือนกับแมวจัดการหนูในบ้านเรา ถึงไม่จัดการหนูร้องแมวแมวแมวแมวร้องไม่ใช่หนูร้องน้องหนูก็กลัวแมวอยู่แล้วเนื้อผู้มีสติมีปัญญากิเลสมันจะกลัวถึงไม่ทําอะไรมันมันก็กลัวอย่างที่เรางพ่อคยพูดกับตะมาว่าคุณดาเมื่อสมัยเป็นเด็กเลี้ยงควายเนี่ยนะควายก็มีตัวผู้ตัวเมียเวลามันจะผสมพัน์กันเนี่ยตัวผู้เนี่ยมันจะมีพลังสูงมากเลย ตัวใหญ่ตัวโตนั่นน่ะมีเขายาวด้วยแต่ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ตามไปอยู่แต่ว่าตามฝูงไปแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะมันกลัวตัวใหญ่จะจัดการกับมันจะชนมันฟิดมันมเห็นตัวใหญ่วิ่งมาตัวเล็กก็วิ่งหนีทันทีสั้นเดียวกันเมื่อมีสติเมื่อจิตใจเรามีสติกิเลสมันจะวิ่งออกไปหรือมันจะหลบมุมสะกนแล้วมันจะแอบมามุมใดมุมหนึ่งก็ได้ นี่ลักษณะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยเหลือวิสัยของมนุษย์อมันง่ายสําหรับคนปฏิบัติได้เป็นคนจริงปฏิบัติจริงแต่ถ้าเป็นคนไม่จริงเ้าปฏิบัติยากหน่อยหรือไม่เอาเลยใจไม่เอาใจไม่สู้ในที่สุดก็เลยบ่ามากคลนิพพานไม่มีบุญเราไม่มีวาสนาไม่ถึงบารามีเราไม่พอคิดไปอย่างนั้น น, นี้ความคิดของมนุษย์เป็นอย่างนั้นอาตมาก็คิดอย่างนั้นสมัยก่อนก่อนที่อืมจะไปขึ้นไปเหวไปโดดกระโดดจากยอดเขาให้มันตายดูแล้วรอดไปก็คิดว่าบารามียังไม่พอเมื่อไม่พอแล้วไปตายก็ยิ่งไม่มีเลยก็หมดบารามีเลยนับว่าโชคดีที่มาเจอหลวงพ่อเทียนก็เลยมีบารามีกับคนอื่นเขาั้งก็คิดว่ามีที่ว่ามีก็เพราะว่ามีความ รักมีความเพียรมีความพยายามมีความตั้งใจจริงอันนี้คือบารมีจะเป็นสัจจะบารมีก็ดีขันติบารมีก็ดีอธิฐานบารมีก็ดีอย่างเช่พระพุทธเจ้าอธิษฐานนะก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าอืพระอะไรพระสมณสิทธัตฐานนะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์หรือนักบวชเราไม่ยังไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ตั้งรู้ เป็นผู้สแสวงหาอยู่พระองค์ก็ไปนั่งสมาธิดูจิต ด, ดูใจนั่งตามลักษณะตามเทคนิคของคนอินเดียสมัยก่อนเมื่อนั่งเข้าไปก็คิดในใจตั้งอธิษฐานอย่างยอดเยี่ยมเลยว่า เ, ออเลือดในร่างกายจะเหียดแห้งไปก็ตามเลือดแต่หนังหุ้มกระดูกก็ช่างมัน ถ้าไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณแล้วใส่จักไม่เลิกละทําความเพียรจักไม่ลูกจักที่นั่งโดยเด็กขาดตายแล้วชั้นหัวมันเอาเป็นอย่างนั้นเลยนั่งปุ๊บก็ไปเลยในที่สุดด้วยแรงกับทิฐฐานด้วยความจริงใจ พ, พระยามารก็ะจญเต็มที่เล ย, พ, ยพระยามาระจญเต็มที่ในที่สุดก็ชนะมารชนะมารก็ตั้สลุบเป็นพระพุทธเจ้า อาตมาก็นึกเดาเอาหรอกปัญญาไม่พอนึกเดาเองว่าพระพุทธเจ้าของเราในสิทธัตถะสมัยนั้นเขานั่งดูธรรมชาติบ้างดูจิตดูใจดูพระไตรปของพระองค์บ้างดูความคิดบ้างดูไปดูมาดูมาดูไปแต่วันมันจะค่ําแล้วเมื่อมันค่าแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยมันมืดแล้วจะมองไปก็ไม่เห็นนี่ยจะหลับอยู่ก็เหมือนมือนลืมตาอยู่มีค่าเท่ากันเหมือนเราอยู่ในค่ำลืมตากับหลับตาก็มีค่าเท่ากัน ก็นั่งไปนั่งไปก็นิ่งก็ดูความรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกโดยความคิดไปคิดมาชิ้จัลเลยเปิดเปิงเนะี่ในที่สุดก็เห็นความคิดก็หยุดมันได้ก็เห็นกิเลสตัณหาแล้วปาทานก็เห็นความทุกข์ทารุณผูกแล้วว่ัตนถะัจรวุลายสัจสีเนี่ยลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเห็น เ, เ น, นี่ย น, นะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่รู้ไม่เห็นพวกเราก็สามารถมีรู้เห็นเป็นได้เหมือนกัน แย่งความโกรธใครไม่เคยโกรธอยู่ที่นี่ลองพอเทียนกับสามว่าใครเคยโกรธบ้างไหมเคยจะได้มีโกรธไหมใครโกรธยกมือขึ้นเนี่ยไม่มีใครยกสักคนเลยนี่ทําไมอะ่ะลักษณะเดี๋ยวนี้มันมีความโกรธได้ยอย่างไรมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่เกิดไม่ปรากฏถ้าเลยบอกความทุกข์มันไม่มีแต่ที่ความทุกข์มีเพราะเราไม่ดูจิตดูใจเข้าไปก็เลยมีความทุกข์พอคิดแล้ทุกข์คือคนอื่นมาทําให้กับเรา การตัดสู่ของพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นคุณเป็นค่าเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแต่พวกเราไม่หวังจะเป็นพระพุทธเจ้าหวังจะเป็นพระอรหันต์หวังจะเป็นผู้ พิเศษพิสวจอะไรหรอกแต่ว่าหวังอย่างเดียวว่าตั้งใจอย่างเดียวว่าจะต้องเป็นคนที่มีความทุกข์ลดน้อยลงมีสติปัญญามากขึ้นอย่างนี้เราก็น่าจะยินดีและพอใจหรือญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่นี่ว่าจะให้มีทุกข์มากให้มีทุ ก, ก ข, มกมกข์มากขึ้นให้มีทุกข์มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั้งว่าขาตัวตายยินอยากตายกระโดดเท้าตายหรือฆ่าคนเดินตายอย่างนั้นหรือคงไม่ใช่อย่างนั้นคงจะต้องการอย่างเดียวกันทั้งหมด ไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขความสงบเหมือนกันหมดและความสงบนั้นและหลายคนอาจจะคิดว่าไปนั่งในถ้าในป่าคงสงบดีอาตมาเขาคิดแบ่นั้นสะกอดแต่เดีนี้ไม่คิดเบบนั้นแล้วถ้าไปนั่งหลับป่านั่งหลับตาในป่าในถ้ามันสงบดีก็คนหูหนวกตาบอดนะต้องสงบดีแน่นอนเลยมันไม่ได้ยินอะไรหูหนวกแล้วตาก็บอดแล้วไม่เห็นอะไรแล้ว มันคงดีกว่าพวกเราเขาคงดีกว่าพวกเราเอามานั่งสมาธิคงเป็นอัละหันกันง่ายก็คงไม่ใช่อย่างนั้นอีกแลยเนาะอืาคงไม่จริงอะ่ะมันก็คิดอย่างมันอะ่ะนั้นจะอยู่ในป่าหรือในถ้าหรือนอกป่านอกถ้าอยู่ที่บ้านที่เรือนอยู่ที่วัดที่วาอยู่ที่ผมสั้นผมยาวนุ่งห่มผ้าสียอะไรก็ตามทีมันก็อยู่ที่จิตที่ใจของเรา น, นั่นนะ ถ้าใจไม่ดีอยู่ป่าก็มันก็กลัวความมืดก็หาที่พึ่งแต่ถ้าอยู่ในบ้านในเมืองวุ่นวายก็ออกจากบ้านจากความวุ่นวายไปก็หลบมุมมันก็ที่เราหลบยุงเข้าไปในมุ้งบ้างในห้องที่มีมุ้งลวดบ้างกันยุงได้แล้วก็สบายหน่อยอแต่ก็ออกมามันก็กัดก็กินเราอยู่แหละ ดังนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมอาตมามั่นใจว่าการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอาตมาคิดว่าเหมือนก็ได้เกิดใหม่เหมือนก็ได้ชีวิตใหม่ะเป็นศิลปะเป็นเทคนิคที่ทําแบบง่ายๆทําทแบบสบายๆแต่ก็ทําให้นานนะแต่ถ้าไม่นานอดีตมันจะมาครอบคุมครอบงํามันจะออกจากอดีตไม่ได้ เมื่อออกจากอดีตไม่ได้กับเนี่อะไรเมื่อเราเข้าไปมุดอยู่ในถ้าจมอยู่ในอดีตคนเราติดอดีตมากที่สุดเลยคนที่ติดในอดีตนั้นจะคิดจะฆ่าตัวตายกินจะตายคิดมันมันออกไปในรูปแบบนั้นทั้งหมดเลยหรือไม่ก็เป็นคนเก็บกดไม่เขเพื่อนฝูงนขี้ขาดขี้กลัวก็ ไม่มีความสุขตามที่สังเกตมาตามที่ได้เห็นจากความรู้สึกตัวเองก็ดีเมื่อเราได้สลัดอดีตอนาคตหมดสิน้นตรงนั้นละ่ะเราจะอยู่กับเพื่อนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ดีมันถูกปล่อยตัวเองแล้วก็ปลดจากหนี้สินหมดหนี้หมดสินหมดอดีตอนาคตมันก็หมด นั่นเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าไปคิดอย่างอื่นพวกเราอยู่ที่นี้ก็ดี<ม>การทําจังหวะก็ให้รู้สึกจะช้าบ้างไวบ้างก็เรื่องของมันเรื่องของแต่ละคนคนใจเย็นก็ทําช้าได้คนใจร้อนก็ทําช้าไม่ได้ก็ทําไวเดินก็เหมืนอนกังจะให้เดินอย่างเดียวกันก็ไม่ได้คนขาสั้นขายาวคนหนุ่มคนสาวก็เดินไปตามที่เรามีกําลังมี พอดีของเรานั่นแหละแต่คนเฒ่าคนแก่ไปเรียนอย่างคนหนุ่มคนสาวนี่ก็ไม่ได้มันก็ไปตามเดี่ยวของใครของมันการสร้างกังวะก็เช่นเดียวกันนั่นไม่มีทางอื่นทางไกลนอกจากทางเจริญสติทางเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วไม่มีทางออกนี่แหละคือทางออกทางเอกทางรอดทางไปทาง วันเวทูเวทางซูเปอร์ไฮเวไปเลยไปทางเดียวแยกไม่ได้ทางด่วนด่วนทางเดียวเลยนะเป็นทางเอกทางด่วนไปด้วยกันหมดเลย้ขึ้นทางด่วนแล้วไปด้วยกันลงที่กันหมดเลยแต่ไม่ได้ด่วนเหมือนกรุงเทพด่วนขึ้นที่เดียวกันแต่ไปลงคนละที่เลยอันนี้ทางเอกเส้นเดียวไปที่เดียวกันจบที่เดียวกันไปสู่มรรคสูตรสูุ น, สนิพันธ์เหมือนกันหมด จะบวชไม่บวชก็เหมือนกันมันจะขึ้นทางด่ว น, นจะรถแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถบัสรถทัวร์รถอะไรอะพ่วงรถอะไรก็ตามมันก็ไปตามจังหวะของมันถ้าไม่อุบัติเหตไม่ตกสถานไม่ออกนอกทางนะไม่ออกนอกเส้นทางก็ดีวันนั้นนั่งรถมาจากกรุงเทพรถพ่วงกันหนึ่งออกนอกเส้นทางต้องใช ยามันหมดแดดริดหมดแดงคว่ำตีนังกาอลไรยังสัดๆเลยคนกําลังมุงกันอยู่แต่โชคดีไม่ไม่ชนเสาไฟฟ้าขาดเสาไฟฟ้าใหญ่มากแต่ไม่มีอะไรเสียหายมีแต่รถคว่ำเชฟเฟอร์ก็เจ็บร์เด่นดุกๆดดังดังเนะมันมันคว่ำมันพลิกคว่ำออกนอกเส้นทางดังนั้นเมื่อเราปฏิบททัติธรรมเราไม่ออกนอกเส้นนอกทางมันก็ไปเรื่อยกของมัน ก็ถึงบ้านถึงช่องถึงที่อยู่ที่ไมายปลายทางของเราทุกคนปลอดภัไยไม่กังวลไปคิดเป็นอย่างอื่นบาลมีก็คือการทำใจทำจิตทำใจให้มีความตั้งใจจริงนั่นแหละบรารมีหรือว่ามีศรัทธาแล้วมีความเพียรมีความพยายามอยู่หลายคนว่าเอ๊ะแต่ก่อนปฏิบัติธรรม่ะสมัยพระพุทธเจ้าทาไมเขาบรรลุเร็วรุไว แต่สมัยปัจจุบันทำไมมันช้าทำไมมันไม่ได้มักได้ผลเร็วหลายคนก็สงสยัยหลายคนก็หาคำตอบหลายคนก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ก็ตอบไปคนอาทิศละแนวเหมืนอนกันหลวง่อเทียนก็เคยตอบแล้วก็อาจมาก็เคยโดนถามมาเหมือนกันและทุกท่านทุกคนอยู่ที่นี่ก็เหมืนอนกันเคยโดนถามโดนตอบกันมาอราหมาคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั่นนะ่ะ มันขึ้นกับความเพียรความความสามารถของมนุษย์ความตั้งใจจริงตรงนี้ลหละหลายคนจะอ้างอดีตอนาคตว่าอดีตชาติเป็นอย่างนั้นอดีตก่อนเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่ากันไปก็เรื่องของเขาตามตำาราตำราเตีองกรรมมาบรรดาลให้บรรลุ <c oughs> นะแต่พวกเราน่าจะเอาปัจจุบันเป็นเครื่องวัดกันเลยมือก <c oughs> ัเรียนหนังสือนี่ใครมีความเพียรมีความสามารถสมองดี ก็เราเรียนไปจำได้เจงสอบไล่ได้แบบนี้ไม่ต้องไปว่าอดีตอนาคตให้มากเอาปัจจุบันว่ากันไปถ้าอย่างนี้มรรคผลนิพพานจะอยู่ไม่ไกลถ้าเอาอดีตอนาคตเราก็อธรมาทั้งฆ่าตัวตาไปเกิดเอาหลายชาติแต่ว่ามาตั้งต้นใหม่คืออยากจะไปตั้งต้นให ม, ม่เพราะแฝดดีมันก็อยากไปคิดออกมาอยาไปคิดเรื่อย่างอื่นอาจมาผูดหนึ่งขอยืนหยัดแล้วยืนยันรับรองว่าหลวงปเจนเนี่ยเป็นบุคคลที่สอนดี ตอนที่สมาได้สัมผัสมาอยาที่สมัยเป็นพระธุดดงก็ไปทุกผลทุกแห่งสำนักอาจารย์อยู่ที่ภาคอีสานแต่ทุกอาจารย์อาจารย์ฟันอาจารย์ตื้ออาจารย์สีอาจารย์เทศอาจารย์อะไรไปหมดอ่ะเป็นอย่างนั้นบาอาจารย์ดีๆทีนไหนไปหมดคือยังไปขอส่วนแบ่งส่วนบุญไปอาบน้ําสงน้ําให้ท่านล้งางเท้าล้างมือให้ท่านก็ยังดี ล้างบาทให้ท่านก็ยังดีมันกับกิเลสก็ล้ลดไปลดไปเราคิดเราเองนะก็คิดกันอย่างนั้นว่าเมื่อไปอยู่อย่างนั้นมันจะดีหลวงปู่ชาอย่างนี้ก็ไปอล้างเท้าล้างขาให้ท่านเช็ดบาดเช็ดอะไรให้ท่านถูปฏิอาศัยก็ก็ยังดีแต่คิดว่าบารามีมันจะเพิ่มมันคิดเดาอย่างนั้นที่จริงมันของใครคองมันแบ่งกันไม่ได้แม้แต่ปัญญาว็ีทั้งห้าอยู่กับพระพุทธเจ้าสมัยนั้น ไปคิดว่าจะเอาส่วนแบ่งส่วนบุญเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าแตสรู้แล้วก็อ่าลตอนนี้แสดงทำให้ฟังแนะนำให้ฟังว่าทำจิตทำใจด้วยเ้าเกิดมาเกิดผลเป็นอย่างนั้นอานอนท์ในตำราเก็บอกว่าอา น, อนนท์นีกับบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันยี่สิบสามสิบปีเป็นโสดาบันอยู่แค่นั้น ความรู้อนนท์จําำเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทีเดียวเก็บได้หมดเลยพระพุ <Yeah. S 1> ทธเจ้าสอนที่ไหนสแสดงทว่าอย่างไรใครบรรลุทำเกจบจำได้หมดอ่ะ <Yeah. S 1> จริงไม่จริงก็มีรู้ตําราว่าอย่างนั้น <Yeah. S 1> แต่ไม่ได้ก้าวหน้าเลยไม่ได้เป็นสกิทาอนาคารหันเลยอนนท์นะนะ <Yeah. S 1> ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าจะผลินิพพานก็บอกว่าอานนะท์จะเป็นอรหันต์ลงต่อไปต่อต่อไปนั่นนะเห็น <Yeah. S 1> ไหมทําไมไม่แบ่งให้อานนท์เลยละ่ะความรู้อนนท์จําได้หมดนะ สแสดงคำว่าสติปัฏฐานสูตรว่าอริยสัจสี่อะไรพระพุทธเจ้าแดงที่ไหนจำได้แต่เป็นคอมพิวเตอร์ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าวรินิพานแล้วอานนท์ก็เดินจงกรมทำความเปลี่ยนสามวันสามคืนนไหมไม่หลับไม่นอนไม่พักไม่ผ่อนไม่นั่นโอแทบเป็นบ้าเลยแทบไม่เอาอะไรเลยอานนท์หมดหวังเลยอตอนที่สิ้นหวังนั่นอานนท์กลายเป็นละหันแล้ว ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมรคนที่พานเนี่ย阿拉ห์ ก, ก็ละหันไม่ว่าแล้วสังพมันให่นอนดีกว่าพักผ่อนดีกว่าตอนจะพักผ่อนนั่นนะจิตมันก็จะปล่อยวางอดีตอนาคตหมดเลยวัดก็เลยเกิดสว่างโุงขึ้นมาจิตสะอาดสงบเต็นละหันทันทีเลยตอนเป็นละหันนะแต่พวกเราก็พอคิดเอาไว้บ้างว่าเมื่อเราทํำเองเราก็รู้ของเราเองเมื่อครูบาอาจารย์ท่านบอก ท่านก็เป็นเพียงผู้บอกทางให้ชี้คุ้มซาให้เท่านั้นเราต้องขุดต้องค้นต้องปฏิบัติต้องสัมผัสของเราเองถ้าเป็นอาหารเราต้องกินของเราเองคนเดินบอกก็ก็ดีแล้วแหละนะอาหารนี้อร่อยนะอาหารนี่อร่อยยานี้พิเศษนะกินดูสิจะหายโรคหายป่วยจะมีกําลังวังชาก็กินเข้าไปแล้วดีถ้าไม่กินก็นั่งเฝ้าอย่างนั้นนั่งดูอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่อิ่มอาหารก็มีอยู่แต่ไม่กิน ธรรมะก็มีอยู่ครูบาอาจารย์ก็สอนอยู่ตำราเราก็อ่านมาอยู่ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ไม่ไกลอยู่ที่กายกล้างศอกกรรมายาวาหนึ่งยาวานาคึอของแต่ละผลมรรคก็ดีผลก็ดีนิพพานก็ดีอยู่ที่นี่แหละอยู่ในนี่แหละต้องหาดูค้นดูมันก็บราณว่าอะไรนะรับในดินสินในน้ำนั่นแหละ สินทำไมไปอยู่ในน้ำเนก็คิดอยู่ทต่ไมเป็นเด็กมันมันสินอะไรนาะสินไปอยู่ในน้ำเนี่ยพ่อใหญ่คนหนึ่งเขาบว่าก็ไม่ใหฆ่าสัตว์ปลานานัาน่นปลามันอยู่ในน้ำเองเหรอไหมสินอยู่ในน้ำแล้วก็คิดไม่ออกอย่างเด็กคิดไปคิดมาเอ๊ะทรัพทัศน์ ท, ทำไมไปอยู่ในดินน่ะไม่ไปขุดหาทองหาเงินอยู่ในดินอะคิดไปอย่างนั้น แต่เดีนี้เห็นแล้วแจ้งแล้วซับอยู่ในดินทรัพย์สินเงินทองขายไร่ขายสวนแต่ละทีรวยเลยยมที่ที่ไหนก็ตามอ่าทั่วประเทศเลยขายที่สี่สิบห้าสิบล้านเป็นเศรษฐีกันเลย hmm. พวกภูเขาพวกป่าพวกเขาก็ไปขุดไปเอามาทําเงินทําทองกันหมดเลยทำโรงไร่โรงโรงงานโรงสีโรงเรื่อยลงโม่ไปหมดเลยนีหมเป็นเงินเป็นทองหมดเลย ซับอยู่ในดินนะ่ะทุกอย่างเลยเป็นสวนเป็นไร่เป็นะอะไรทุกอย่างยอยู่ในดินหมดเลยโบราณ ส, สอนดีดังนั้นธรรมะอยู่ในคนแต่ชีมาธรรมะอยู่ในคนธรรมะอยู่กับรูป ก, กับนามอยู่กับกายกับใจมนุษย์เราจะขุดจะคน้นหาไหมก็ขุดดูมันจะพราะเาเจาะน้ํามันแถวนั้นนะ่แถวชนบุรีแล้วอะไรที่นั่งรถผ่านมารู้สึกว่ มีบอ่อน้ํามันมีการทําอะไรแต่ละไเยอะๆอะไรไหมเนะพราะอะไรเพราะมันกำลังเจาะกําลังขุดอยู่ก็มีพวกเราก็มาเจาะมาขุดมาคน้นมากลบนมาพยายามที่จะค้นหาสิ่งที่มันมีในคนนะมันอะไรบ้าง <S <S ถ้าอะไรไม่ดีเราก็ทิ้งไปนะเหมือนกขาเจาะน้ํามั น, น, มนถ้าไม่เจอน้ํามันเขาก็ไม่เอาถ้าเจอน้ํามันเขาก็เอาถ้าเจอน้ําธรรมดาเขาก็ไม่เอาเจาะสามเดือนสี่เดือนก็มีไม่ได้อะไรเลยก็นี้ไป ลหลายคนปฏิบัติธรรมนั้นหลายปีแล้วบางคนไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ว่ากันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาเจาะถูกที่ขุดถูกที่เจาะถูกที่จริ ง, รงไม่กี่วันเราเจอแล้วโอ้เจอน้ํามันแล้วเว้ยเจอเพชรเจอพลอยแล้วเว้ยในที่สุดก็เลยเกิดประโยชน์เกิดคนเกิดค่าที่เสียเวลามาก็ช่างหัวมันที่เป็นบทเรียนเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นกําไร นั่นที่อาจารย์มาได้ว่ามาทั้งหมดได้กล่าวมาได้พูดพูยเรื่องนั้นเรื่องนี้สัพเพเหระว่ามากัหลายเรื่องเนาะเพาะอยากจะยืงยัดและยืน ย, ยั น, ยย น, ยยนว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ตนเองได้พิสูจน์แล้วได้พิสูจน์มาจริงจริงแล้วก็อยากจะใหญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพิสูจน์ไปเรื่อยๆเนาะตามล่าตามดูตามพิสูจน์ของจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นทนต่อการพิสูจน์จัดจะทำทนต่อการพิสูจน์ ตามล่าหาความจริงกันเนาะถ้าเจอของจริงแล้วก็ได้คําตอบหายสงสัยตามล่าหาบุญบุญอยู่ที่ไหนบาปเป็นอย่างไรมรรคผลคืออะไรก็ตามหาตามไปตามมนก็เจอเมื่อเจอแล้วก็โอ้บุญเป็นอย่างนี้เนาะบุญนี่นั่งอย่างนี้ก็เป็นบุญแล้วเนี่ยใจดีใจงามก็เป็นบุญแล้วแใ่สงบใจสบายก็บุญแล้วนั่นถ้า ใ, ใจโมโหล่ะโกรธกันทะเลาะวิวาดกัน บุญวาสับสนใจบาปแล้วโอ้เป็นบาปแล้วไม่ต้องไปทําอย่าง อ, างอางื่นนั่งอยู่นิ่งๆเลยก็จะเป็นบาปเป็นบุญได้แล้วยิ่งทาอย่างนี้ก็จิ่งเป็นกุศลเลยเป็นมหากุศลเลยดังนะนั้นบุญอันนี้มันเป็นบุญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุภายนอกมันเกี่ยวข้อง ก, กับความรูษษษ้สึกเป็นของแต่ละคนนี่แหละบุญจริงๆบุญปันกันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้แจกกันไม่ได้แต่บอกกันได้วันนี่คือบุญ กับเราหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็พอดีใครพอดีมันมันพอดีบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าพอดีบาเนี่ยบาปแปลว่าเกินบาปแปลว่าหนักมันหนักมันเกินวุ่นวายสับสนนี่แหละตัวาศาสนาคือตัวคนทุกคนเป็นตัวาศ า, าสนารักษาปฏิบัติให้ดีแล้วก็เป็นการสืบทอดอายุาศาสนาเป็นการสืบมรดกตกทอด ของพระพุทธศาสนาต่อไปอาตอมา ก, ก็ไม่มีอะไรเรื่องที่จะกล่าวมากมายก็ขอพบปะพูดคุยแล้วก็ขอจบ ก, การพูดคุยไว้แต่เป็นกว่านี้ขอสาธุมุธนาจันมหาิเหลก็กจะมีอะไรพูดต่อก็ว่ากันไป